ท่านสาธุชนพุทธบริษัท 12 มิถุนายน 2532 วันนี้ก็มา พอถึงญี่ปุ่นก็ใหม่ๆเลยเพเพะเพะกันใน ตามเวลาของญี่ปุ่นชั่วโมงตอนนี้ถึงเมื่อ UA 822 สู่ฮาวายซึ่งประมาณ so 5 ชั่วโมง การเดินทางจาก 5 ชั่วโมงเสร็จๆเสร็จก็พักตัวที่ญี่ปุ่นก็ 5 ชั่วโมงเสร็จๆก็รวมความแล้วว่าเดินทางนี้กว่าจะถึงฮาวายก็ใช้เวลาเข้าไป 15 ชั่วโมงเสร็จการเดินทางคราว การจริงบริษัทนี้ใครๆก็ทราบว่าเฉพาะ 2532 เธอ ท่านนี้เพราะไหร่เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเครื่อง เคยลาแข่งเพียงแค่วินาทีเดียวเราก็ตาย ถ้ามีความรู้ เวลาปลอดจากเข้มขัดรัดตัวลดน้อยเต็มทีสักครู่หนึ่ง กำลังเหลือต้านทานไม่ไหวก็หมายถึงตายจะเท่านั้นเองก็ลงความว่า คุยกันต่อไปขณะที่นั่งไปไปมันก็ไม่หลับ ดิ้นหลับแค่ครึ้มบึบนึงบึบนึงก็สะดุ้งตื่นแค่เนี้ยปรากฏว่า เมื่อรู้สึกดูใครมองไปดูเก้าอี้อื่นเค้าก็หลับกันบ้างเค้า ว่าอาการเคร้มใกล้จะ 7 ปีมีอยู่ 2 เวลาคือเคร้มใกล้หลับ คือความเป็นมารๆอย่างที่ก็ทํากัน แม่บอกว่าถ้ากลัวผีเวลานั้นอาตมากลัวผีมาก ท่านแม่ก็ไปถามว่า จะเป็นผลอันนี้หรือไม่ใช่ก็ 7 ปีเป็นต้นมาถ้าที่ไหนถ้าไปไหน เวลาจะก่อนจะหลับครึ้มๆก็จะหลับตอนนี้ถ้า ยังไม่มีความเข้าใจยังมีความสงสัย ฌานสมาบัติก็ยังไม่ถึงญาณเป็นเครื่องรู้ต่างๆก็ไม่ถึงอย่าลืมว่าธรรมมีญาณเป็นเครื่องรู้อาศัยฌาน ดูเหมือนว่าจะเป็นหลานของพระจองอะธีนัส แต่ขาดนี้ห่างไป 2-3 วันคุณจะถึงก็ไม่ ไถ่กระอารมณ์สิทธิกริยาท่านกล่าวว่าเวลานี้กำหนัดมากเอาเรือยนต์บรรทุกยาเต็มลำ ต้องรู้จริงรู้ทันทีทันใดรู้ตามความประสงค์แต่ บ้านนั้นมีคนอยู่ 3 คนคือพ่อบ้านคนหนึ่งแม่บ้านคนหนึ่งลูกสาวบ้านคนหนึ่งลูกสาวบ้านก็อายุประมาณ คน, 16 ปีเมื่อเวลาตอนกลางคืนเค้าก็จัดเทอาตมาเข้าไปนอนในห้องห้องแบบเรือนผนังกระดานสมัยเวลายอดปล่อยยอดแหลมเค้าจะปล่อยห้องหน้า 2 ห้องเป็น ไอ้ห้องหนึ่งเค้าจะสะกัดไว้เป็นห้องมีผ่ากันข้างใน มันมีฝาข้างนอกแต่ว่าประตูด้าน <c oughs> 30% ถึงจะเป็นคน แต่นอนในห้องนี้ประตูด้านหน้าก็ปิดแต่ประตูห้องเธอก็แง้ม นอนอยู่เงียบก็ไม่เอะๆก็ปล่อยไปเวลาคล้ายๆกับมีๆเสียงๆน้อยๆก็คิดเตลิด 3 อายุ 32 33 แล้ว เด็กคน 15 16 เด็กก็มากถ้าเธอจะมาหาเราเรา ในเมื่อไม่มีก็ปล่อยเรื่องสภาพเรื่องของใครเรื่องของใครเราไม่เกี่ยวก็แล้ว ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งข้างๆ พอถึงปั๊บก็มาได้ถามเธอเธอก็รายงานว่าฉันเนี่ยคือเป็นปัญญาของเจ้าของบ้าน <c oughs> หลังจากนั้นเธอก็เล่าความเป็นมาทุก <c oughs> รวมแล้วคนมาสัก 6 คน ทั้งหมดเค้าตอมท่าตกใจเค้าบอกว่านั่นคือปีแล้ว 2-3 ปีนี่ก็ถามว่าเมื่อคืนเนี้ยคุณให้ลูกสาวนอนที่ไหน เคยบอกว่าประตูที่แย้มไว้ใครเข้าไปอยู่จะมีอาการไข้ ที่มีเหมือนกับคนเคลื่อนไหวผ่านในห้องก็ต้องเป็น กำลังของชายก็ดีกำลังของหญิงก็ดีจะต้องนึกเอาได้ทบทวนได้ต้องการหญิงใครรู้ใครต้อง ต้องนั่งหลับนั่งนกมันก็ไม่หลับจริงถ้าหลับเสียจริงผีมาสักกี่ 100 กี่พัน 5, <c oughs> 5 ชั่วโมงเสร็จแต่ว่าขณะระหว่างทาง เกรงว่าอันตราย 1 ชั่วโมงเคลื่อนไป 2 คนรูปร่างหน้าตาใหญ่คนนึงคนนึงไม่ ทั้ง 2 ชื่อนี้เป็นชื่อของประธานาธิบดีของอเมริกาจริงเป็นรูสเวลต์เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเวลานี้พอเดี๋ยวไปที่ฮาวายนี่ก็ค้นกันหนักหมายความว่าถ้ากาธิยานถ้า คำว่าผงเสื้ออายก็คือผงเฮโรอีนมันสี <c oughs> คณะคณะอาตมาก็ถึงฮาวายที่ฮาวายเนี่ยเค้าจะค้นละเอียด แล้วภาพนั้นก็หายไปจะถามความพระอาตมา 3 กับคุณโชติวุฒิ โจทิวตินครวาสช่วยคุณโจทิวติวุฒเป็นผู้ติดตามๆทําตัวแบบผู้ศิษย์ชัดเจนไหมว่าช่วยทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นต่อๆไปยังกลับเธอทุกคนก็ช่วยได้สนิทใกล้ใกล้กว่าท่านได้ไปถึงหอวายเข้า เขาก็สอบถามกันไปคราวเนี้ยอาตมาไม่รู้ ส่วนควรว่าถ้าจัด <c oughs> แต่อย่างอื่นทั้งหมดที่เราผิดกฎหมายไม่มีก็ หลวงรถเครื่องคณะหลวงพ่อทําไมจึงไม่ถูกเปิดกระเป๋าพระ 3 พระวัด อันนี้คงจะเป็นเวลาของอเมริกาแล้วออกมา 11:00 น. เช้าแต่มาถึงฮาวาย 11 23:15 น. ก็แสดงเป็นกลางคืนของอเมริกันแล้วนะที่ถึง ทำไมจึงช่วยแค่ 4 คนคือพระ 3 พระวาด 1 ทั้งหมดนั้นถูกตอดแหลกลานนึกหาท่านใดก็ไม่ปรากฏว่าท่านมาให้ถึงให้เห็นนี่จึงเห็นได้ว่าไม่พูด เป็นอารมณ์เคลื่อนใกล้หลับจําให้ดีว่าอย่างนี้แล้วสําหรับท่านนักกับกฎของจริงๆสมาธิก็อุปจาระว่าสมาธิเบื้องต้น <c oughs> <c oughs> ตัณหาอธิเวศสักครั้งเมื่อจิตเป็นสุขมากๆถ้าจะพูดก็ได้คํา ขอเข้าใจตามนี้นี่เรื่องเป็น ก็สามารถจะไม่ใช่รู้เองเห็นเองถ้าเค้ามาให้รู้เค้าแล้วที่หลายคนบอกบรรดาท่านพุทธบริษัท ความดีเกินกว่านั้นเราจะไม่น้อยถ้านี่เหลือ 3 นาทีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มาขอคุยเข้าเวลากันคุยกันมาชั้น นั่งคอยมันก็เครียดการคุยก็คุยกับคนตระกูลโทสมศักดิ์บ้างคุยบ้างพอนุชบ้างใครใครคุยกันไปกันมาแก้รำคาญทรงเดชแค่ถามว่ารำคาญมั้ยแต่ว่า แต่ตรงกันทั้งไปเข้ามาเรา ก็ตราบเวลาจริง เราก็จะไปคลุ้มทะไปคลุ้มสงเดชไม่เคยประโยชน์ก็เป็นยังไงดู ญี่ปุ่นรวย ได้หลายครึ่งนาทีแล้วหันไปดูฮาวายฮาวายเป็นเกาะเล็กๆเคยไปแล้วหลายครั้งดินแดนที่ฮาวายจะโชว์ก็คือภูเขา